เดี๋ยวแก้หนังสือกันก่อนนะแก้แก้หนังสือแก้คําคผิดหน่อยเนาะเปิดหน้าร้อยหกสิบนะแก้หนังสือกันก่อนคือคําแปลในหน้าร้อยหกสิบนี่แปลไม่ถูกไม่ถูกหมดนะนะไม่ใช่ผิดหมดนะแปลไม่ถูกหมดมัน <c oughs> ตรงซ้ายมือนะเห็นนะซ้ายมือ นับยอ่อหน้าที่สามบาลีนวโกติสาสานินี้แปลว่าเก้าพันโกดเขียนไว้เลยวงเล็บข้างบนนะั 9, ่นก็เก้าพันโกดนะนวโกติศาสานิศา ส, สานิแปลว่าพันเะห็นไหมเก้าพันโกดนวโกติสหสานิเก้าพันโกนี่ตัวเลข ก, กี่ตัว เลขศูนย์กี่ตัวเลขศูนย์สิบตัวเอาใหม่นะต่อไปอสิติสตะโกติโยอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบโกดปัญญาสะสตะสหัสานิอันนี้ญญาาสะสะห้าล้า น, น, น 5, ชัดติงสาจะปุนาปเรอันนี้แปลว่าสามหมื่นหกพัน สรุปเท่าไหร่เท่าไหร่บวกลบคูณหารไปแล้ว 9,180 โกด5 3 6 0 0 0รวมเป็นเสร็จแล้วนะเอาใหม่นะ 9,180 โกด5 3 6 0 0 0ข้างบนนี่เขาแปลว่า 9,000 โกด 8,000 โกดแปลว่าอนะไรเออแม่ผิดนะผิดสองแหง ทุกฉบับเลยนะไปแก้ฉบับ91เ็เล่มเล่มหหน้าหน้าเท่าไห้ารอดนะถึงหน้าหนะ้าห้าในปฏิสัมพิธามัตนะฉบับ 6, เล่มที่68ด้วยอำนาจไปยานไงปยานะ่ะมันรู้กันได้โดยโครงสร้างถ้าเรียนระบบโครงสร้างแล้วจะมองเห็นภาพทั้งหมด ในหน้า159ในศีหมวด5หมวดแรกคือหมวดหนึ่งกล่าวไปแล้วเนอะหมวดหนึ่งคือศีละณนะใช่ไหมหมวดสองคืออ่ะอ่ะนี่ยนะหมวด2นี่ยกตัวอย่างจารีตกับวาเรตหมวดสามก็เช่นอัตตาทิปไตยโลกาทิปไตยแล้วก็ธรรมาทิปไตยหมวดสี่ก็เช่นจะตุปปาริสุที่ศีสี่ 4. หมวดหเลยนะหมวด5ก็เกี่ยวกับปริยันตะปาริสุทิศีลในศีลหมวดหเนี่ยนะหมวดแรกคือศีลหมวดหมีอยู่สองหมวดก็คือเท่ากับมี10บข้อทีนี้กล่าวถึงหมวดแรกก่อนว่าแห่งส่วนของศีลมีหอย่างเพื่อทราบตามความหมายเกี่ยวกับศีลของอนุปสัสมบันเป็นต้นสมจริงตามที่พระธรรมเสนาบดีสาริบุตร กล่าวไว้ในคัมภีปฏิสัมพิธามัชในสีและมา ย, ยา น, นิเทศว่าปริยันตะปาริสุทิสีนเป็นไงนปริยันตะปาริสุทิสีนนั้นก็คือสีนคือความบริสุทธิ์ที่มีส่วนสุดรอบเนี่ยนะคือสีนของอนุปสัมบันฑผู้มีศิขาบทมีที่สุดรอบนี้เชื่อว่าปริยันตะปาริสุทิสีน คือศีลที่มีความบริสุทธิ์มีส่วนสุดรอบเนี่ยนะอย่างศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีลของสัมมาเนนสมมนเนรีอย่างเงี้ยนะศีลของท่านเหล่านี้ <c oughs> มีสิกขาบทเป็นที่ที่สุดรอบถ้าเป็นคารวาสเนี่ยนะศีลห้าก็มีศีลห้าก็มีที่ที่สุดรอบใช่ไหมเพราะวันนับได้ห้าและบางคนเนี่ยนะไอ้ที่สุดรอบมีสองอย่างนะ ศีลเนี่ยก็จํากัดอยู่แล้วว่าศีลห้าศีลแปดศีลห้าศีลแปดก็ยังบอกสมาทานอีกวันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นเนี่ยจำกัดทั้งข้อจํากัดทั้งเวลาเข้ามาเงินเนี่ยนะเช่นสมาทานอุโบสถมีแปดข้อใช่ไหมสมาทานบอกวันหนึ่งคืนหนึ่งเรียกว่าจํากัดทั้งศกขาบทเข้ามาเงินมีที่สุดรอบทั้งศกขาบทด้วยมีที่สิริรอบทั้งการเวลาด้วย เพราะฉะนั้นศีลคือความบริสุทธิ์ที่มีที่สุดรอบอริยันตปาริสุทธิศีลก็คือศีลคือความบริสุทธิ์ที่ไม่มีที่สุดรอบเนี่ยนะเป็นไคือศีลของอุปสัมบันผู้มีศกขาบทไม่มีที่สุดรอบอุปสัมบันในที่นี้ก็ได้แก่พระภิกษุนั่นเองนะศีลของพระภิกษุนี้ชื่อว่าอริยันตปาริสุทธิศีล เป็นสิขาบทที่ไม่มีที่สุดรอบส่วนปริปุนนะปาริสุทีศีนั่นเป็นไงเหนะศีนของกาลยานะปูทุชนผู้ประกอบในกุศลธรรมผู้กระทาให้บริบูรณ์ในเสขะปริยันต์ตะเนี่ยนะคือว่าทมอันมีเสขาธรรมเป็นขอบเขต ไม่อะไรในกายและชีวิตมีชีวิตอันสละได้แล้วนี้ชื่อว่าปาริปุณะปาริสุทิศีล <c oughs> อันนี้ท่านหมายถึงศีลของกัลยาณ์ปุตุชนนะปุตุชนนี่มีสองอย่างใช่ไหมอันทปุตุชนกับกัลยาณปุตุชนอันทปุตุชนก็คือปุตุชนที่ไม่ได้ไม่ได้สดับไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่ ฉลาดในธรรมะของพระเรียเจ้าและก็ไม่มีวินัยของพระเรียเจ้าส่วนศีลของกัละยาณปุูตุชนคือปูตุชนผู้มีกัละยาณธรรมนั่นเองนะูตุชนผู้ได้สดดับไ้ศึกษาเรียนรู้ขันทารยจตนะสัจจะอินทรปฏิจตสมุบาทเป็นต้นนะเป็นอย่างดีแล้วทีนี้ปูตุชนผู้มีความรู้ความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีผู้ประกอบในกุศลธรรม นะคำว่ากุศลธรรมนี้เป็นชื่อของการประพฤติชอบการประกอบด้วยดีในวิปัสสนาอย่างเดียวกุศลธรรมตรงนี้หมายถึงวิปัสสนาเนี่ยนะผู้กระทาให้บริบูรณ์ในเสขปริยันตะเรียกว่าเป็นผู้ที่ทำศึกขาทั้งสามประการให้บริบูรณ์นะหรือว่าทำศึกษาทั้งสามไม่ให้เสื่อมไปแล้วก็ ทำให้บริบูรณ์ในเสขะปริยันตะคือธรรมะอันมีเสขรรมเป็นขอบเขตคำว่าธรรมะอันมีเสขะทมเป็นขอบเขตนั้นหมายถึงการเจริญวิปัสนาหรือการเจริญกุศลธรรมจนถึงโคตรภูยานเนี่ยนะเพราะว่าถ้ามรรคยานเกิดขึ้นเนี่ยนะโสดาปฏิมครคเป็นต้นไปนั่นเขาเรียกว่าเป็นธรรมะของพระเสขะและธรรมะของพระเสขะก็คือตั้งแต่เป็น พระโสดาบันเป็นต้นปายนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิพนเป็นของพระเสขัส่วนธรรมะที่ไปจนถึงขอบเขตแห่งธรรมะที่เข้าให้ถึงขอบเขตแห่งโสดาปฏิมักนี่ก็คือการสมาทานประพฤติกุศลธรรมเบื้องต้นไปเรื่อยจนเป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิ มคามคะายนานทัศนวิสุทธิปฏิปทายนานทัศนวิสุทธิจนถึงโคตรภูยานถ้าอย่างนี้แหละธรรมะในส่วนเหล่านี้นะเรียกว่าปริปุณะปาริสุทิสีนี่นะสีลของผู้ที่กำลังเจริญกุศลธรรมหรือเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยนะเพื่อให้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นท่านจะไม่อะไรในกายและชีวิตเห็นสละร่างกายสละชีวิต แล้วก็มีชีวิตอันสละแล้วเห็นไหมสละชีวิตทั้งหมดเราเนี่ยเพื่อให้ได้โสดาบันอย่างนั้นเดี๋ยศีลของท่านที่ปฏิบัติแบบนี้ชื่อว่าปริปุณะปริสุทธิศีลศีลที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ปริปุณะนี่แปลว่าความบริบูรณ์เห็นไหมศีลที่ปริสุทธิก็คือบริสุทธิ์นะศีลที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆเพราะว่าศีลที่เป็น อุปนิสัยแห่งมรรคผลส่วนอปรามัถศีลเนี่ยนะอปรามัถปาริสุทที่ศีลนั้นเป็นไนศีลของพระเสกขจจจำพวกนี้ชื่อว่าอปรามัถปาริสุทที่ศีลก็คือศีลที่สังกิเลตคือทิฏฐิไม่เข้าไปถือมัน่นศีลของพระโสดาบันเนี่ยนะทิฏฐิจะไม่สำคัญผิดเด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้น ศีลของพระเสขะตั้งแต่พระโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลสกท า, าคามีมรักสกท า, าคามีผลอนาคามีมรักอนาคามีผลและอรหัตตมรักทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเสขะพระเสขะนะศีลของท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นศีลที่ทิฐิไม่พึงไปถือมั่นไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปยึดมั่นเลยส่วนข้อ5ก็คือปฏิปสัสสติ ปาริสุธีศีนนั้นเป็นไงคือศีนของพระขีนาสพผู้เป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายคือเน้นไปที่ศีนของพระอรหันต์นั่นนะหรือว่าศีนของพระปัจเจกพกุทธเจ้าทั้งหลายหรือว่าศีนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนี้ชื่อว่าปฏิปสัสสติปาริสุธีศีนเนี่ยนะปฏิปสัสสตินี้แปลว่าสงบประงับ ศีลที่มีความบริสุทธิ์สงบระงับก็คือศีลของพระอรหันต์นั่นเองนะตั้งแต่อรหัตผลเกิดแล้วก็ศีล น, นี้สงบระงับและนับตั้งแต่ผู้ที่ได้อรหัตผลเป็นต้นไปอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิปัสัตทิปาริสุทิศีลโอศีล น, นี้ไม่ธรรมดานะลึกซึ้งกว้างขวางมีรายละเอียดมากทีนี้คาอธิบายในศีลทั้งห้าอย่างนะเพราะว่าข้อความ ข้างบนที่ยกมาเมื่อกี้นี้เป็นข้อความที่ยกมาจากคำภีปฏิสัมภิธามักในศีละมยายาณิเทศทีนี้วิสุทธิมัชท่านก็นมาเรียบเรียงอธิบายเพิ่มเติมอีกว่าในศีลทั้งห้าอย่างนั้นศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายพึงทราบว่าชื่อว่าสัปริยันตะปริสุทธิศีลเพราะเป็นศีลที่มีที่สุดรอบด้วยอานาจของการนับใช่หศีลของ อนุปสัสมบัตเนี่ยนับนะบางคนมีศีลข้อเดียวบางคนเนี่ยสมาทานไม่ทําปานาธิบาศบางคนสมาทานไม่ทําอธินาทานบางคนก็ได้ข้อบางคนทําได้สองข้อบางคนสมาทานประพฤติได้สามข้อสี่ข้อห้าข้อบางคนก็มากกว่านั้นหน่อยอุโบสถตลอดเลยเนี่ยนะบางคนก็สมาทานได้สิบข้ออั้นความสามารถในการสมาทานไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันอย่างนี้เขาเรียกว่า สัพปริยันตะปาริสุทธิ์ศีลเนี่ยนะศีลที่มีความบริสุทธิ์ที่มีที่สุดรอบเนี่ยนะที่สุดรอบแห่งสิขาบทนั้นมีสิขาบทเหล่านั้นนับได้อันนี้จบคําอธิบายของสัพปริยันตะปริสุทธิ์ศีลศีลของอุปสัมบัญอันนี้ขึ้นข้อใหม่แล้วนะขึ้นข้อ2ศีลของอุปสัมบันแม้ว่ามีที่สุดรอบด้วยอํานาจ ของการนับอย่างนี้ที่จริงเสียของพระพิสุนะถ้าจะนับก็นับได้นับแบบนี้ไงนวโกติสหัสานิ้0 0โกฏอสีติสตะโกติโย180โกดปัญญ า, าสตะสหัสานิ้าล้านฉัดติงสาจัปูณาปรเร 36,00 มก็บอกว่าศิขาบทที่เป็นสังวรวินยัยเนี่ยนะจำนวน 9,180 ันหนึ่งปบโกดห้าล้านสาพันเนี่ยนะเหล่านี้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้วเป็นสิกขาบทที่ทรงแสดงไว้ในวินัยปิดกโดยมุก ค, คือปยานเนี่ยนะเราเคยได้ยินนะว่าพระวินัยนี่มีกี่กี่ธรรมคขันพระวินัยนี่มีกี่ธรรมคขันสอง0มืหนึ่งพันพระธรรมคขัน พระสูตรนี่มีกิธรรมะขันพระสูตรก็สองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันส่วนพระพิธรรมนั้นทั้งหมดสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันพระวินัยเนี่ยนะโดยเล่มเนี่ยจำนวนเล่มเนี่ยฉบับสี่สิบห้าเล่มเนี่ยมีอยู่แค่แปดเล่มเองแต่ว่าทําไมธรรมขันจึงมากมายเหลือเกินใช่ไหมธรรมะขันตั้งสองหมื่นหนึ่งพันพระธรมรมขัน เมื่อเทียบกับพระสูตรพระสูตรมีทั้ง5นิกายแล้วก็แต่ละนิกายมีตั้งหลายเล่มเนี่ยนะเพราะว่าพระวินัยปิฎกเนี่ยนะที่มีรายละเอียดอยู่ด้วยอํานาจไปา ย, ยานคือข้อความละไว้เนี่ย น, นะละไว้ไปา ย, ยานก็คือข้อความที่ละไว้นะก้อ 9, 9เปนั่นแหละรู้ได้ด้วยในเพราะว่าสิกขาบทแต่ละสิกขาบทนี่มาเชื่อมเป็นทําเป็นจักเป็นอะไรได้เรียกว่าขันทจักรทัทธจักเนี่ย น, นะ มีมูละมูลีมาเรียงเรียบเรียงเนี่ยนะเป็นระบบถ้าเรียนเป็นระบบโครงสร้างแล้วภาพเหล่านี้จะมาทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าการนับศีลของพระพิสุก็นับได้เนี่ยนับได้เท่านี้แหละเห็นไอ้สองรอยี่สิบเจ็ดเขาเป็นหัวข้อเอาไวส้สวดเ น, น, นก็คือเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบโกรธห้าล้านสามื่นหกพันข้อนะใครมาบวช้วได้รักษาเนะ่ พึงทราบชื่อว่าอปาริยันตะปาริสุธีศีล์คำว่างั้น เ, เมื่อกี้นี้ท่านขยายคําว่าโดยมุก ค, คือปยานนี้ก็ได้แก่พระศาสดาทรงแสดงไว้โดยการนับตามที่กล่าวแล้วโดยวิตถารณายัยวิตถารณัยก็คือโดยนายพิสดารที่ทรงเทศนาไว้ในที่นั้นๆเนี่ย น, น, นะแต่ว่าศีลถึงนับได้แบบนี้ก็จริงอยู่ แต่ว่าเพราะหมายเอาสภาวะที่สมาทานโดยไม่มีเหลือเพรนะพิสูน์นี้ต้องสมาทานประพฤติตามนี้ทั้งหมดและภาวะที่ไม่ปรากฏที่สุดรอบเกี่ยวกับลาบยศญาตอวัยวะและชีวิตเมื่อสมาทานสิกขาบทเหล่านี้ประพฤติแล้วจะต้องไม่ยอมขาดสิกขาบทเพราะลาบไม่ยอมเสียสิกขาบท เสียเสียศีลเหล่านี้เพราะยศเพราะญาติเพราะอาวัยวะและเพราะชีวิตเพราะฉะนั้นศีลอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าอาริยันตะปาริสุสทีศีลทีนี้ท่านก็ยกตัวอย่างเหมือนศีลของพระมหาติสาทระผู้ฉันผลมะม่วงซึ่งอยู่ะนะซึ่งอยู่ที่จีวรคุมภาวิหารฉะนั้นนะถือว่าจีวรคุมภาวิหารฉะนั้นจริงอย่างนั้นท่านผู้มีอายุนั้น นะคำว่าผู้มีอายุนี้เป็นถ้อยคำเป็นคำเรียกด้วยความเคารพนะเป็นคำเรียกยกย่องนับถือมากว่าท่านนั้นเมื่อไม่ละอนุสติของสัตบุรุษข้อนี้เนี่ยนะเมื่อท่านรักษาศีนี่ท่านก็จำคาถานี้นะจำคาถานี้เอาไว้ในการประพฤติในการปฏิบัติยามที่ท่านรักษาศีลเนี่ยนะคาถาที่กล่าวว่านระพึงสละทรัพย์ เพราะเหตุแห่งอวัยวะที่ประเสริฐกว่าเมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะเสียเมื่อตามระลึกถึงธรรมพึงสละอวัยวะทรับและแม้ชีวิตได้ทั้งหมดทีนี้ท่านก็กล่าวว่าไอ้นรพึงสละรับเพราะเหตุแห่งอวัยวะที่ประเสริฐกว่านี้เป็นยังไงยกตัวอย่างคนที่กำลังเดินทางใช่ไหมกำลังเดินทางแล้วโจรเนี่ยเขาจะมาปล้นเอารั์ไปเนี่ยนะ หรือเขาจะตัดแขนตัดขาเนี่ยถามว่าเราจะยอมเสียทซั์หรือจะยอมเสียขายอมเสียแขนนไยอมเสียซับไปนะเพื่อที่จะรักษาอาวัยวะไว้นะในยามเดินทางอย่างนั้นนะท่านก็บอกว่าผู้ถูกพวกโจรผู้ดักปล้นในหนทางเนี่ยนะทำอันตรายเอาอย่างนี้ก็ยอมสละรัพย์ไปเพื่อที่จะรักษาอวัยวะเอาไว้ เมื่อจะรักษาชีวิตเพิงสละอวัยวะเสียอย่างตัวอย่างในเวลาที่ถูกงูกัดเนี่ยนะทอ ง, งูกัดแล้วก็แขนบางส่วนเนี่ยเปื่อยเลยเนะถ้าไม่ตัดนี่เสียหายแนย่ก็ต้องยอมตัดไปถ้าอย่างนี้ก็ถามผู้การเนี่ยนึกท่นอ่ะนะสงครามสงครามไร้หลายแห่งเนี่ยต้องยอมเสียแขนเสียขาถ้าไม่ยอมเสียก็ต้องก็ตายอย่างเดียวนะก็ต้องตัดออกเพราะฉะนั้นสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ไปประเทศไปตาที่ไปเมื่อเดือนเมษาที่แล้วเนี่ยนะโหพวกพิการเนี่ยเห็นเยอะเลยขาหลุดไปคนละข้างบางคนก็แขนหลุดบางคนก็ขาหลุดนะแสดงว่ายอมเสียแขนเสียขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะพวกทหารผ่านศึกทั้งหลายโดยมากโดยมากพอก็มีแบบนี้ให้เห็นเยอะแต่ว่าเมื่อตามระลึกถึงธรรมะพึงสละอวัยวะทรัพย์และแม้ชีวิต ได้ทั้งหมดนะอย่างพระเจ้าสุทธสมในในชาดกเนี่ยนะพระเจ้าสุทธสมเนี่ยยอมสละแม้กระทั่งอวัยวะสละทรัพย์สละชีวิตนะทรัพย์ของท่านก็ทรัพย์แบบระดับราชสมบัติด้วยซ้ําไปเพื่อท่านจะได้ตามรักษาธรรมทีนี้พระมหาติสะเทระรูปนี้นี่ก็เหมือนกันท่านละลึกถึงธรรมะเหล่านี้ตลอดเลยเมื่อท่านละลึกถึงธรรมะเหล่านี้ตลอดท่านก็ไม่ยอม ผิดศีลผิดธรรมอะไรแม้เมื่อมีความสงสัยในชีวิตก็ไม่ละเมิดสิขาบทอาศัยอปริยันตะปาริสุทีศีล น, นั้นนั่นเองเก็กล่าวที่ที่เรื่องที่เคยกล่าวไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เคยกล่าวตั้งแต่ในหน้าไหนหน้า148นะลองย้อนไปดูนะหน้า148 ในข้างล่างเลยอันหนึ่งความข้อนี้บัณฑิตควรเล่าเรื่องของพระมหาติสะเทระผู้ฉันมะม่วงซึ่งอาศัยอยู่ณนะจีวรคุมพระวิหารไว้ด้วยเห mm hmm. ็นไหนซึ่งเคยเล่าไปครั้งหนึ่งแล้วคือเรื่องที่มีอยู่ว่าพระพิสุรูปนี้เนี่ยนะอยู่ในช่วงที่เกิดทุพิภิภัยคือข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะอาหารหายาก ทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็เดินทางจาริกไปเรื่อยๆก็ไปหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ใต้โคนต้นมะม่วงต้นหนึ่งซึ่งมะม่วงต้นนี้เนี่ยมีลูกดกมากมีลูกสุกเงี้ยนะหล่นเปลือนกล่นไปหมดแหละทีนี้ท่านก็ขนาดเห็นมะม่วงอยู่อย่งงางนั้นเนี่ยนะซึ่งมะม่วงก็ไม่มีเจ้าของด้วยเขาไม่มีใครหวงแล้วท่านก็หิวด้วยนะเวลาฉันก็พอได้ที่มะม่วงที่ตกอยู่กับพื้น แต่ว่ามีอยู่ในที่ใกล้ท่านก็ไม่บริโภคไม่ฉันเพราะไม่มีผู้ประเคนนะท่านไม่ละเมิดปฏิฆานาศขาบทสึกษาบทข้อที่เกี่ยวกับการรับประเคนคือพระภิกษุนั้นสิ่งที่ขอสิ่งของที่ล่วงลำคอไปนะเว้นแต่น้ํากับไม้ชําระฟันเนี่ยนะนะไม่ต้องประเคนสิ่งที่เหลือต้องประเคนหมดเลยเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทุกชนิดที่รับประทานเข้าไปยายานี้ก็ต้องต้องประเคนเนีย่ยนะเว้นแต่เกี่ยวกับเรื่องมหายามหาวิกฤตอันนี้เป็นยาพิเศษซึ่งมนุษย์ธรรมดาเขาไม่กินกันหรอกอเพราะฉะนั้นจะต้องประเคนที่ว่าอุบาสกนี่ก็มาเห็นเข้าใช่ไหมนอนกระแสลลกับเซลลอยู่ใกล้โคนต้นมะม่วงก็เลยเอามะม่วงมาคัน้น กรองแล้วก็ขันเป็นน้ําทําให้ท่านดื่มแล้วก็ยกใส่หลังก็แบกไปขณะที่ท่านยังอยู่บนหลังของอุบาสกนั่นแหละบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะอดให้หิวพร้อมแล้วก็ไปบรรลุบนหลังนังนงนงะนะ่นก็ดีนะปัญหาไปอยู่บนหลังแล้วก็ยังเท่าเดิมนะดิแต่นี้ท่านบรรลุเลยนะเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า นะซึ่งพาเิระนี้โอวาตตนว่าซึ่งตอนนั้นท่านก็สอนตัวเองเลยนะว่าอุบาสกนี้ไม่ใช่บิดานะทั้งไม่ใช่มารดาของเจ้าทั้งไม่ใช่ญาตทั้งไม่ใช่เผ่าพันธุ์แต่ยังกระทำกิจเห็นเช่นนี้ได้คือท่านยังเอาน้ำเอาอะไรมาให้ดื่มแล้วก็ยกแบกเป็นต้นไปเนี่ยนะเขายังสามารถทำกิจแบบนี้ได้เพราะเหตุแห่งเจ้าเป็นผู้มีศีลดังนี้แล้วก็ยังความสังเวชให้เกิด พิจารณาโดยแยกคายยังอยู่บนหลังของอุบาสกผู้นั้นก็ได้บรรลุเป็นพระุอาหารแล้วเห็นไบรรลุเป็นพาะุอาหารบนหลังเลยอาศัยที่รักษาศีลมาเป็นอย่างดีศีลแบบนี้แหละเป็นศีลที่เป็นอปริยันตะปาริสุทิศีลเป็นศีลที่ไม่ยอมขาดเพราะเพราะรักษารักษาศีลเนี่ยท่านยอมถ้าจะตายก็ยอมใช่ม รักษาศีลเอาไว้ไม่ยอมที่จะล่วงละเมิดรักษาชีวิตเอาไว้เนี่ยนะทั้งๆที่ตอนนั้นก็หิวมากอาหารก็มีแต่คนประเคนไม่มีเท่านั้นเองท่านก็เอาศีลเอาไว้เนี่ยนะท่านยอมหิวนี่เรียกว่าศีลไม่มีที่สุดเพราะว่าขนาดชีวิตของท่านท่านก็สละได้เพื่อที่จะรักษากุศลศีลเหล่านั้นเอาไว้